ม า, มาเรือยบ้านงโคมช้างอนนีกครั้งหนึ่งเนี่ยปีที่แล้วก็มาทางนันแหละแต่าวันที่สองนอที่หนึ่งอันวาทีนี้าานที่สองแต่ว่าก็จะสิ้นสุดวันที่แปดเกันปีนี้เดินมาจากปูหลงนะวัดป่ามหาวัง ก็เดินมาเรื่ยจะไปสิ้นสุดที่ปากตอกนะเดินได้ยินรอาปากตอกเป็นตัวที่ลำปางมันจะไปลงใม่น้ำศรีทีนี้ก็เดินตามลำปางตั้งแต่ต้นร้านเลยนะไปสุดที่ปลายนะระยะทางก็120กิโล เี่เป็นเาืนราศาสิบโลทำไมญาติการคือใคยเนี่ยไทยบ้านแม่รอกพ่อมีก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะึ่ยเพราะว่านเยามันบ้านตรงชางน่แ่ทุก ป, ปีเลยขาไปก้องขากลับต้องบ อ, องปีโรซสิวที่ประผูกเอาทอง บางทีก็ไปชิ่นสุดที่ตาบูทองก็รองเจ้าแวะพนระสงฆ์ช้างเนี่ยก็ได้ฟังกเคื อ, อนะจากญาติโยมทุกั้งนทะำย่าจารนะก็คือเดินเพื่อธรรมะเดินเพื่อธรรมชาติญ า, าติจาแปลว่ายา่าแปลว่าเดินเดินมาไมนะก็เพาว่าธรรมชาติตอนนี้ มันกำลังเสื่อมโทรมเวลาธรรมชาติเสื่อมโทเนี่นมันก็เดือดร้อนถึงผูชีวิตไม่ว่าคนสัตว์ตาก็ถูกทำลายลำห้วยลานก็เต็นพิษดิดินก็แห้งแลง อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ชาวบ้านรู้จักกันดีปัญหาแบบ น, นี้ก็ต้องแก้ไขถ้าเป็นชาวบ้านเราก็ต้องมีสอสมีสอสอเป็นตัวแทนเพื่อไปบอกรัฐบาลให้รู้ว่ามีปัญหาที่นี่ที่ น, นี่แต่ว่าธรรมชาติเนี่ยใครจะเป็นปากเป็นเสียงแทน ใครจะไปพูดแทนให้กับธรรมชาติชายธารมญาตาก็เลยขออาสาเเป็นปาาเป็นเสียนะแทนธรรมชาติามาบอกมาประกาศว่าแม่น้ำกำลังจะเป็นไทป่าไม้กำลังจะตายแผนดินเป็นอัมพาตอากาศเป็นพิษเนี่ย ธรรมาการ ม, มาเป็นปา่าเป็นเสียงให้กับธรรมชาติเพื่อมาชักชวนให้ชาวบ้านช่วยการรักษาธรรมชาติเอาไว้รักษาป่ารักษาน้ำดูแลผืนดินเพราะว่าธรรมชาตินี่เหมือนกับแม่ของเรา คนเราที่มีแม่อยู่สองประเภทนะแม่ที่เป็นคนผูในน้ให้กำเนิดเราให้กาเนิดแรกนะจะเลี้ยงดูจะเจะติบโตได้ก็ต้องมีแม่มีสองนะก็ดูธรรมชาติอย่างพวกเราเนี่ยสมัยพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตา ย, ยายก็ขึ้นมาบนหลังเขาเพื่อมาหักร้างทั้งคง ทางล่างนี้ที่ทำงานมีปัญหายากก็เลยขึ้นมาบนหลังเขาแล้วก็ทำไร่ทำนาตัดต้น้ม้มาทำเป็นบ้านจากบ้านเล็ก ก, กลายเป็นบ้านหลังใหญ่สามสิบปีสี่สิบปีผ่านไปก็มีความเจริญเดี๋ยวนี้ก็มีนมถนนนเทอรฟฟน็ มีน้ำประป า, ม, า, ปามีโรงเรียนแต่ก่อนเป็นบ้านหลังไม้ก็เป็นบ้านตึกชั้นเดียวก็มีหน่ี่กานสองชั้นสามชั้นอรือที่ทำรถไฟในบ้านัะมีรถ ย, ยนมีตู้เย็นอันนี้ก็เพราะว่าเราได้อาศัยธรรมชาติเลี้ยงดูเราธรรมชาติให้หน้าให้อาคาศ พ่ อ, ออกมาไม่มีน้ำไม่มีอากาศก็ตายไม่มีอาหารก็ตายไงน้ำมาจากไหนอากาศมาจากไหนข้าวมาจากไหนต้มาจธรรมชาติธรรมชาติก็เลี้ยงดูเราให้เติบใหญ่ขณะที่ลูกก็ตองเราตองเอาบ้าง ม, มันสูงสูงนะแต่ว่าแม่ก็ใหญ่ชราอันนี้มันคือแม่ธรรมชาตินะแม่ธรรมชาติ กำลังแก่ชราเราซึ่งเป็นลูกแล้วก็ต้องมีความกระตันอยู่รูปภูมต้องช่วยดูแลเยี ย, ยรักษาแม่ให้หายป่วยหายเจ็บหายไข้และทำนี้ถึงเรียกว่ามีความกรตันอยู่ความกระตันอยู่เป็นคุณสมบัติของชาวพุทธเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ทุกคนอันนี้เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นผู้มีทรัพย์ุน เรีกว่าปุปการเรยเลี้ยงดูเรามาทำให้เราเมีเงินมีทอง ม, มีบ้านมีรถมีมาเป็นอยู่สุสบายอเราก็ต้องตอบแทนคุณคุณของพ่อแม่เวลาพ่อแม่ที่เป็นคนเจ บ, บป่วยเราก็เกลี้ยงดูเราก็เยียายารักษาก็คงจะเหมือนกันกับพ่อแม่ที่เป็นธรรมชาติ เ น, นี่ยไ้ธรรมะจากปรามมาก็มาเชิญชวนนี่แหละให้พวกเรามาทำภูมิื่ยการต่อการคุ้นธรรมชาติธรรมชาติที่มีแล้วรก็รักษาไว้อย่างโสมชาตินี่ก็ธรรมชาติที่สวยงามทั้งไกลและไกลที่ไกลมีต้นไม้มีป่ามีหน้าผารักษาไว้ และที่ยังมีน้อยอยู่ก็ปลูกป่าปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นทรรยานามาเนี่ยก็กำบอกคุณแบบนี้การทำ บ, บุญนี่ไม่ได้หมายถึงการบริจาคเงินสร้างโบสถ์ร้างวิหารหรือว่าถวายสังฆทานอย่างเดียววิธีทำบุญพิธีทุจอยสารเสรอย่างนแล้วการสร้างวนปลูกป่า ผูจัดกร ว, ว่าผู้ใยสร้างสนตปูปปาสร้างสะพานคุณของคุณ น, นั่นย่อมเจริญทุกเมื่อเชื่อวันแล้วรมยกาการก็มาทวลเชิญนี้แล้มาทำบุญและเราก็จะมีความสุขความเจริญยั่งยืนเป็นยุกหลังอาลางนันนนก็ขอให้มรณาใ น, นชาวบ้านตมช้างที่ได้มาราวมกันถวายพระธ า, าน สิ่งก็จะตายเนเลือดกลายเป็นเนื้อหล่อเลี้ยชีวิตให้กำลังแรงชาวธรรมญาติปลาทงพระแม่ชูาติโรมเพื่อจะได้มีกมลังไปทำความดีไปเป็นป่าสงวงเป็นตัวแท้แั่ธรรมชาติไปเนสิ่งสุดิาริ์การเดินพาของเราที่สุดที่เราอ้างอิงก็คือรัตนตรักนะรัอำนวยอวยผให้ทุกท่านได้เจริได้เปรตได้ิาราไุอายุัณห์สุละ เพื่อเป็นรบับปัจจัยให้อยู่เรยนเป็นสุขปลอดภัยใจทุกเจ้า้างประศักร์ความยากละบาทั้งหลายให้ได้เข้าถึงธรรม ท, ทางอาจิตให้ปลอดภัยจากความทุกข์เข้าสุนความเกษร์สามีพระภิกาไเป็นที่หมายด้วการทุกคนเชิยะภาะวิวาหาปุระภวิปูเรหิสาตตะรัง เอวัตเมวัติตตินาเตตานาอิปะัปตติสิตังปะิตังตุทหันิตวเมวัสมิสะตุตัเพตูเรนตุสังกปาจันโทปนาะโสยัตตามณิโชติรโสยัตตาสิโยวิวาตา